การปฏิบัติธรรมเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเป็นงานที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จําเป็นที่จะต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจนกว่า โรคภัยใค้เจ็บจะหายการปฏิบัติคือการทำทานการรักษาศีลการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นงานเพื่อกำจัดความทุกข์ของจิตใจเป็นงานที่จำเป็นที่จะต้องทำไปอย่างต่อเนื่องและทำให้มากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ จนกว่าจะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถหยุดงานคือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาได้ถ้าจับใดยังมีความทุกข์ใจอยู่ยังมีความวุ่นวายใจมีความวิตกกังวล มีความเศร้าโศกเสียใจตามนั้นงานของการกำจัดความทุกข์ยังไม่หมดสิ้นไปยังไม่เป็นวุสิตังบ ร, รัมมจารียังวุสิตังบ ร, รัมจารียังแปลว่ากิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้วกิจในพรหมจรรย์ก็คือกิจในการกำจัดความทุกข์ต่างๆ ด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวนานี้เราจึงต้องทำกันไปอย่างต่อเนื่องไม่ควรจะมีวันหยุดเพราะกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กระจ้านี้เขาไม่มีวันหยุดเขาทำงานทุกวันทำตั้งแต่ตื่นจนหลับ ถ้าเราต้องการที่จะกำจัดกิเลสทันหาให้หมดสิ้นไปจากใจเราก็ต้องปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วได้เวลาความทุกข์หมดสิ้นไปจากใจแล้วนี่ เหมือนคนที่หายจากโรคภัยไข้เ จ, เ, เ, ขเจ็บนะเวลามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่แทบจะหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่พอเวลาหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันรู้สึกเบาสบายมีแต่ความสุขตลอดเวลา ขอให้เราคิดถึงผลที่จะเกิดจากการได้ได้รับจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เพื่อให้ใจของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วคำว่านิบบานังปรมังสุขขังมันก็จะปรากฏกังวานขึ้นมาภายในใจ <c oughs> <c oughs> มันจะแสดงของมันขึ้นมาเอง นิ บ, บานังปลมังสุขขังนี้ไม่ต้องไปวิ่งหามันขอให้เรากำจัดกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ให้มันหมดสิ้นไปเท่านั้นพอความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาได้ถูกกำจัดจนหมดสิ้นไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะเป็นนิ บ, บานังปลมังสุขขังไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขที่ไหน ไม่มีความสุขที่ไหนจะดีเท่ากับความสุขของนิบบานังประมังสุขขงังเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขอือ่นๆที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้ความสุขที่ได้จากลาบยศสระเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงเกตร ด, ดต่างๆ ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปก็ต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขเวลาหาไม่ได้ก็เกิดความทุกเกิดความเสียใจขึ้นมาอ่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขวิธีแต่เป็นวิธีหาความทุกข์กันเพราะความสุขที่ได้มันไม่จีรังถาวร เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาหมดไปสิ่งที่เราจะได้ก็คือความทุกข์ความเสียใจเสียดายเศร้าโศกเสียใจดังนั้นถ้าเราอยากที่จะมีความสุขอยากจะกำจัดความทุกข์ขอให้เรามาปฏิบัติธรรมกัน มาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันดีกว่าเพราะเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปวิธีนี้มีผู้ที่ได้พิสูจน์มาแล้วคือพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ปฏิบัติจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็นำเอาผลหรือวิธีกำจัดนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้จากวิธีหาความสุขที่แท้จริง ว่าให้หาอย่างไรผู้ที่ได้ยินได้ฟังพอเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติไม่นานก็จะได้รับผลกลายเป็นพระอารหันตสาวกขึ้นมามการเป็นพระอารหันตสาวกนี้ไม่ได้เป็นของที่ เหนือวิสัยของพวกเราทุกคนเพราะก่อนที่พระอรหันตสาวกท่านจะได้เป็นพระอรหันตสาวกท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเราที่เป็นอยู่กันขณะนี้ท่านก็มีความทุกข <c oughs> ์กับเรื่องราวต่างๆมีความทุกข์กับบุคคลต่างๆมีความทุกข์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ, ๆมีความทุกข์กับลาบยศสารเสริญ มีความทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะแต่พอท่านได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามความทุกข์ภายในใจของท่านก็หายไปหมดเหลือแต่ความสุขที่เป็นความสุขที่สมบูรณ์ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นพวกเราอย่าไม่ประมาทในความสามารถของพวกเราในศักยภาพของพวกเราทุกคนถ้าพวกเราไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าก็จะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเราแต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพวกเรานี้มีศักยภาพ มีความสามารถที่จะเข้าถึงหรือปฏิบัติถึงธรรมอันประเสรศิฐคือนิพพานังปรมังสุขขังนี้ได้จึงทรงสละเวลาของพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้วนี้สี่สิบห้าปีเอาธรรมะเอาวิธีสร้างความสุขนี้มาเผยแผ่ สั่งสอนให้กับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงถือภารกิจการสั่งสอนธรรมะนี้เป็นภารกิจประจําปฏิบัติทุกๆวันภารกิจของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจห้าพุทธกิจห้านี้สี่ข้อเป็น เกี่ยวกับการสั่งสอนธรรมะมีข้อเดียวเกี่ยวกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพระพุทธเจ้าคือตอนเช้าทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์อันนี้เป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนร่างกายของคนทุกๆคนที่ต้องมีอาหารไว้เหล่อเลี้ยง ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องออกหาอาหารเป็นกิจจวัตรประจำวันท่านทำกิจนี้เพื่อร่างกายส่วนอีกสี่กิจเป็นกิจที่เผยแผ่ธรรมะเป็นการสั่งสอนธรรมะเช่นตอนบ่ายก็สอนสัตธายาตโยมผู้ครองเรือน ตอนค่ำก็สอนภิกษุภิกษุณีสัมมาเนนตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกใบบินธบาตก็ส่งเลงยานดูว่าจะควรไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือภารกิจที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลา ส5สห้าปีหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุวทรงตัดสรตวอายุสาสิบห้าปีและอยู่ต่อไปอีกสี่สิบห้าปีจนอายุแปดสิบปีก็เสด็จปรินิพานจากโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำภารกิจอย่างอื่น ให้ความสำคัญต่อการเผยแผ่สั่งสอนธรรมเพียงอย่างเดียวไม่เคย ส, สร้างวัดสร้างวาไม่ได้สร้างโบสถ์ไม่ได้สร้างเจดีไม่ได้สร้างกุฏิไม่ได้สร้างวัวดว า, ารามต่างๆสร้างแต่พระอรหันต์สมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่นี้มีพระอรหันต์เกลื่อนไปหมดพูดอย่างนี้น เดินไปที่ไหนก็เดินชนกับพระอารหรันต์เพราะพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าจะมีอะไรสำคัญกว่าการได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ต่อให้มีเจดีย์สูงร้อยร้อยชั้นพันชั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็ไม่ได้ทำให้เป็นพระอารหันต์ขึ้นมาต่อให้มีวัดว่าอาราม วิจิตพิสดารสวยงามขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ผลิตพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้มันก็เป็นแค่ถาวรวัตถุที่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพังไปสร้างไปไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็ชำรุดสุดโทมไปดูวัดของสมัยพระพุทธการเดี๋ยนี้ที่คนไปเที่ยวอินเดียกันเนี่ยไปเห็นอะไร ก็เปเห็น้ากประหลักขักพังของวัดวาลามต่างๆฐานรลวัตถุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ความสำคัญแต่ก็ไม่ทรงปฏิเสธท่งอนุญาตใครมีศรัทธาใครที่อยู่ในระดับการปฏิบัติ ข, ขั้นที่หนึ่งคือการทำทานก็ท่งอนุญาตให้เขาสร้างวาดัดสร้างอะไรได้ แต่ควรจะสร้างเพื่อให้ใช้ในการสนับสนุนในการบำเพ็ญในการปฏิบัติธรรมอย่าไปสร้างให้มันวิจิตพิสดารให้มันหรูหราเกินความจำเป็นให้สร้างแบบเรียบง่ายให้พออยู่ได้พอใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝน ได้เพื่อจะได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องได้เท่านั้น น, นีพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดของพระองค์พระองค์นี้มีแต่ผู้อื่นสร้างถวายให้มีพวกที่มีกำลังทรัพย์เช่นพระเจ้าแผ่นดินมหาเศรษฐีจะสร้างวัดถวายให้กับพระพุทธเจ้า เวลาที่พระเจ้าทรงเสด็จไปโปรดสัตย์ตามเมืองต่างๆสมัยก่อนไม่มีการสื่อสารแบบสมัยนี้เวลาเผยแผ่ธรรมจึงจำเป็นต้องมีการเดินทางไปตามเมืองต่างๆตามสถานที่ต่างๆไม่เหมือนกับสมัยนี้เรามีระบบสื่อสาร ที่มสามารถเผยแผ่ข่าวสารต่างๆไปได้อย่างกว้างไกลและง่ายดายและสะดวกไปได้ทุกแห่งทุกคนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่กับที่ก็สามารถเผยแผ่ธรรมแสดงธรรมได้แต่สมัยพระพุทธกาลนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการไปตามสถานที่ต่างๆถ้าอยู่เมืองเดียวก็ก็จะกระจุกความรู้ก็จะกระจุกอยู่ที่เมืองเดียวการที่จะให้ความรู้คือธรรมะกระจายไปตามเมืองต่างๆพระพุทธเจ้าและพระสาวกก็เลยต้องมีการเดินทางไปตามเมืองต่างๆ เพื่อที่จะได้เผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้จะได้รู้จะได้รับประโยชน์ที่นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งความรู้ทางธรรมนี้นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสั้สักครั้งหนึ่งระยะเวลาของการมาปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ ก็ห่างกันไกลมากเป็นกับเป็นกันถ้าจะนับสมัยปัจจุบันนี้ก็เหมือนเอาล้านมาคูนล้านปีนขึ้นไป น, นานๆสักครั้งหนึ่งถึงจะมีคนฉลาดที่สามารถค้นพบทางสู่พระนิพพ า, านได้ทางสู่ความสุขที่ถาวร ทางสู่การสิ้นสุดของความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงพยายามนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้เรียนรู้นั่นเองใครเรียนรู้ฟังแล้วเข้าใจสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามได้ ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดหากันอย่างพวกเราที่มาเวียนว่ายตายเกิดหาความสุขกันแต่ความสุขที่เราได้มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขที่มีความทุกข์มาเกี่ยวใจให้ใจติดอยู่กับกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วแล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็มีแต่คนร้อ ง, องห่มร้องไห้ไม่เห็นมีใคร ดีอกดีใจกันเพราะมันเป็นความทุกข์นั่นเองถ้ามีการเกิดก็จะต้องมีความทุกข์ถ้าไม่ต้องการมีความทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ที่จะไม่เกิดได้ต้องพนต้องพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องมาหาในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดในโลกของ ตายรักตายพบในโลกของสังสารวัฏแต่ถ้ามาหาความสุขในโลกของสังสารวัฏก็จะต้องกลับมาหาอยู่เรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้จากโลกของสังสารวัฏนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่พอร่างกายตายไป ความสุขที่ได้ก็หายไปหมดแต่ความอยากที่จะหาความสุขมันยังไม่หายไปมันก็จะดึงให้ดวงวิญญาณกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับภัยต่างๆที่จะมาคอยทําลายทําลายทํำลายร่างกาย นี่เป็นสาเหตุของความหลงของความไม่รู้วิธีหาความสุขแบบไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันผู้ที่จะรู้วิธีนี้ก็นานๆจะมีปาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าผู้ที่จะรู้ว่ามีวิธีหาความสุขเอกแบบหนึ่งเป็นความสุข ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นความสุขที่ถาวรได้มาแล้วจะเป็นของเราไปตลอดจะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราหากันอยู่ในขณะนี้ผ่านทางร่างกายมันก็ชั่วแค่อายุขของร่างกายพอร่างกายหมดสภาพไป ความสุขต่างๆที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาก็หมดสิ้นไปต้องกลับมาหาใหม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกมาวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายกับการป้องกันรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุข สิ่งต่างๆที่หามาได้ก็ให้ความสุขไม่นานเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือเดี๋ยวมันก็จากไปพอมันหมดไปจากไปก็ทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจเศร้าใจก็เลยต้องไปหาความสุขใหม่หาได้มาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็จะต้องหมดไปหมดไปก็จะเศร้าจะเสียใจแล้วก็ต้องหาใหม่หาไปจนวันตาย ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะหาใหม่เนี่ยจำนวนพบชาจำนวนร่างกายที่พวกเราได้หามานี่มากมายกายกองจนนับไม่ได้ถ้าอยากจะรู้ปริมาณของจำนวนของร่างกายที่เราได้มาเกิดกันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาน้ำตาที่พวกเราหลั่งกันในแต่ละครั้งในแต่ละภพเนี่ยชาตินี้เราเกิดมาเราเคยร้องไห้ไหม ลองอน้ำตาที่เราร้องไห้เก็บสะสมไว้ถ้าเก็บสะสมได้นี้น้าตาที่เราหลั่งของแต่ละภพแต่ละชาติถ้ามารวมกันนี้ท่านบอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนะคิดดูว่าจะต้องมีร่างกายมาเกิดกี่ครั้งมีร่างกายมาร้องไห้สักกี่ครั้งถึงจะได้น้าตาเท่ามากกว่าน้าในมหาสมุทร นั่นแหละคือปริมาณของความตายของร่างกายปริมาณของความทุกข์คือน้ำตาที่เรามาหลังกันในแต่ละภพแต่ละชาติมันมากมายมากและจะไม่มีวันเช่นสุดลงตราบใดถ้าเราไม่ได้มาพบกับผู้รู้หรือตัวแทนของผู้รู้ผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้า ตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้วิธีหาความสุขที่ถาวรที่แท้จริงหาความสุขที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พวกเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าพวกเราได้มาพบกับ พบพระพุทธเจ้าเองก็ดีพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ดีเราก็จะถือว่าโชคดีที่เราได้พบผู้ผู้ที่จะนาทางให้เราได้ไปพบกับความสุขที่ถาวรให้เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นเมื่อเราได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดี ได้พบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีได้พบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีสิ่งที่เราควรที่จะตักตวงจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้คือคำสั่งคำสอนอย่าไปเอาสิ่งอย่างอื่นจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปเอาชานหมากอย่าไปเอาข้าวก้่นบาตรอย่าไปเอา น้ำสง์น้ำมาสง์น้ำมาอะไรของพวกนี้ไม่เป็นประโยชน์ะของพวกนี้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หาได้ข้าวกล่นบาสนี่ไปหาบาสมาใส่มันก็มีข้าวกลนบาสใส่แลนะน้ำสง์ก็อาบ ก, กันอยู่ทุกวันของพวกนี้ถ้ามันวิเศษมันก็ไม่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เสียเวลาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีสิ่งเดียวที่เราต้องการจากท่านก็คือคำสั่งคำสอนธรรมะให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเข้าหาคำสั่งคำสอนอย่าเข้าหาเพื่ออย่างอื่นบางคนเข้าหาพายเพื่อที่จะขอชาญมากเพื่อที่จะข อ, อเศษผมเพื่อที่จะข อ, อเศษฟันอะไรต่าง ที่จิ้มฟันอะไรข้าวกล่นบาดเศษจีวรขอพวกนี้เอาไปทำอะไรมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีอะไรมันก็เป็นวัตถุมันมีมาตั้งแต่ก่อนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ถ้ามันวิเศษมันก็ต้องทำให้ไปถึงนิพพานกันหมดแล้วมันไม่มีความวิเศษแต่อย่างใดสายสงสายศีลไปผูกมัดมันไว้หาอะไรมันได้อะไร เอาวัตถุมงคลไปห้อยคอแล้วมันได้เลยวัตถุมงคลมันก็เป็นวัตถุบันขึ้นมาแล้วก็บันเป็นรูปของพระนั่งสมาธิแล้วก็ไปเปรไปปลูกไปเสกไปเป่าไปเบิกในตาเบาิกนกเบิกเนตดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นของวิเศษขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคนห้อยพระเต็มคอตายหรือเปล่า นอดความไปดูเนี่ยไปไปไปกับพวกหน่วยกู้ภัยดูเวลาเกิดอุบัติเหตุนอดความคนตายเนี่ยดูศพดูถึงว่ามีพระห้อยคอกันนะมีกี่องค์ก็ห้อยมันก็ตายไม่มีมันก็ตา ย, ตายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะหาจากพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีสิ่งเดียวที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับพวกเราก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจกันนานๆจะได้เจอของดีสักครั้งหนึ่งแต่พอได้เจอของดีแทนที่จะเอาของดีกลับไปเอาของไม่ดีจากของดี แทนที่จะไปเอาคำสอนจากพระก็ไปขอน้ำมนต์ไปขอสายศีลไปขอพระพุทธรูปไปขออะไรต่างๆที่มันไม่มีคุณค่าราคาที่จะทำให้จิตใจได้ไปถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวร น, นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเข้าใจกันอย่าหลงทางกัน สิ่งที่เราต้องการจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือความรู้สวากขาตธรรมสวากขาโตภะวตาธรรมโมทำที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบแล้วทมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ทรงค้นพบคือวิธีการเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงที่สมบูรณ์คือนิบบานังปรมังสุขขัง เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลจะเกิดจากจาการภาวนาให้มาศึกษาวิธีปฏิบัติการสามข้อนี้เถิดปฏิบัติให้ถูกต้องแม้แต่การทำทานถ้าไม่ศึกษาปฏิบัติก็มักจะศึกษาไม่ถูกต้องตามหลักของของทานศีลภาวนาเช่นการทาทาน สนมาใหญ่ก็คิดว่าทำแล้วเพื่อให้ร่ำให้รวยกันไม่รวยชาตินี้ก็ขอให้รวยชาติหน้าไม่เนไม่อย่างนั้นก็ขอให้ไปเป็นเทวดาไปเกิดในสวรรค์อันนี้มันเป็นผลพลอยได้มันมีส่วนอยู่ทาทานแล้วตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดากลับมาเกิดชาติหน้าก็ได้เป็นเศรษฐี แต่เป้าหมายของคําสอนของทาา่าเจ้าไม่ได้ให้กลับมาเกิดใหม่ไม่ได้ให้ไปเกิดเป็นเทวดาให้ไปนิพพานนิบานังปรมังสุขขังให้ไปหาความสุขที่จีรังถาวรทําทานแบบไหนถึงจะเรียกว่าทําทานเพื่อพระนิพพานทําทานเพื่อกําจัดกิเลสตัณหานั่นเองไม่เวลาที่เรามีเงินแล้วเราอยากจะเอาเงินไป รับใช้กิเลสตัณหาเวลานั้นนะเราต้องเอาเงินที่จะไปรับใช้กิเลสตัณหาเอาไปทำทานแทนนี่คือหลักของการทำทานทุกคนมีเงินทำทานกันเพราะทุกคนมีเงินไปใช้กับกิเลสตัณหาแต่มักจะบ่นว่าไม่มีเงินทาทานกันแต่เวลาเอาเงินไปเลี้ยงกิเลสตัณหานี้ไม่มีใครบ่นกัน เนี่ยวันอยู่ห้าวันเนี่ยไปเลี้ยงกิเลสตัณหากีตสตังกั น, นแทนที่จะไปเลี้ยงกิเลสตัณหาห้าวันก็เอาไปทำฐานไปทำบุญไปอยู่วัดไปอยู่วัดก็ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรช่วยบํารุงวัดเพราะวัดก็มีค่าใช้จ่ายมี หรือถ้ามีมากก็อยากจะช่วยบริจาคสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้แหละเป็นวิธีทำทานทำทานเพื่อมรักผลนิพพานไม่ได้หวังว่าจะรวยจากการทำบุญในชาตินี้หรือในชาติหน้าทำทานเพื่อสกัดความเจริญของกิเลสตัณหาเราต้องคอยบ่นใสมัน วันใสต้นไม้เราก็คือต้องคอยตัดกิ่งตัดใบมันถ้าใบมันถูกตัดกิ่งมันถูกตัดมันจะโตใหญ่ขึ้นเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ฉันใดกิเลสตัณหาเราก็ไม่ต้องการให้มันเจริญเติบโตเพราะเราต้องการกําจัดมันในเบื้องต้นเราก็ต้องกําจัดมันใน เวลาที่เราจะไปส่งเสริมมันไปไปรับใช้มันเวลาใดที่เราจะเอาเงินไปใช้ตามความโลภตามความอยากเวลานั้นนะเป็นเวลาทำทานเช่นไปซื้อของไม่จำเป็นแต่ชอบอยากได้เห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเครื่องประดับอะไรต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อ ไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนเรียกว่าไม่จำเป็นนะถ้ามันเดือดร้อนถึงจะเรียกว่าจำเป็นเช่นถ้าเสื้อผ้าถูกบ้านไฟไหมเสื้อผ้าถูกไห่ไปหมดนะไม่มีเสื้อผ้าใสอันนี้จาเป็นต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ถ้าซื้อแบบนี้ไม่เป็นการเลี้ยงไม่เป็นการรับใช้กิเลสตัณหาเพราะเป็นการจามีความจำเป็นที่จะต้องซื้อมาเพื่อมา ัมาปกป้องรักษาร่างกายเสื้อผ้ามีไว้เพื่อปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศที่หนาวเย็นหรือเกิดจากมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนี้คือหน้าที่ของเสื้อผ้าถ้ามีเต็มตู้แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อถ้าซื้อก็เรียกว่าเป็นการไปรับใช้กิเลสตัณหา เป็นการไปส่งเสริมให้กิเลสตัณหามันเจริญเติบโตขึ้นมานั่นเองดังนั้ น, น, นพวกเราทุกคนนี้มีโอกาสได้ทําทานกันอยู่เรื่อยๆเพียงแต่เราไม่รู้กันเท่านั้นเองเรามามองหาเงินที่เราไม่มีแล้วไปทําบุญทําทานส่วนเงินที่เราไปใช้กับกิเลสตัณหาเราไม่เคยคิดว่ามันควรจะเป็นเงินที่เราเอาไปทําบุญทําทานกัน นี่แหละคือแหล่งของเงินที่เราจะาไปทำบุญทำทานคือเงินที่เราจะาไปใช้กับความโลภความอยากต่างๆอพออยากจะซื้อของที่ไม่จำเป็นก็บอกอถึงเวลาทำทานแล้วะะจะซื้ออะไรละ่ะกระเป๋าวเวอร์ซาเซหรอกี่หมื่นแหวนเพชรกี่แสนนั่นแหละ มีหวานเพชจะไม่มีหวานเพชมันต่างกันตรงไหนมันทําให้ร่างกายดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นหรือเปล่ามันก็เท่ากันร่างกายมันก็เหมือนเดิมมันไม่สุขสบายขึ้นแต่อย่างใดมันก็ไม่อดอยากขาดแคลนแต่อย่างใดนี่คือของไม่จําเป็นของที่ไม่จําเป็นอย่าอย่าไปใช้มันอย่าไปซื้อมันถ้าอยากจะได้ความสุขจากการใช้เงิน เอาไปทําบุญทําทานเนี่ยอย่านี่หน้าที่ของทานให้ความสุขกับเราความสุขที่เราได้จากการทําทานนี้มันสุขยิ่งกว่าการไปซื้อแหวนเพชรราคาแสนราคาล้านะไม่เชื่อลองดูไอ้สมัยหลวงตาอยู่เห็นไหมคนมีทองเทิงนี่เอาไปทําบุญกันหมดนะถวายทองให้หลวงตาแล้วกลับมีความสุขมากกว่ามีทองไว้ห้อยคอ มีทองห้อยคอแล้วมันรู้สึกยังไงหนักคอไปเปล่าๆแล้วต้องมาคอยระวังรักษาดูแลมันเกิดเผลอเวลาใบถอดวางไว้ที่ไหนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวก็หายไปก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมามีแต่ความทุกข์ของพวกนี้เก็บมันไว้ทำไมซื้อมาไว้ทำไมเอาไปทำบุญทำทานดีกว่านี่คือการทำทาน ดังนั้นอย่ามาบ่นว่าไม่มีเงินทําบุญทําทานถ้ามีเงินไปเที่ยวมีเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นต่างๆนี้แสดงว่าเรามีเงินทําทานกันเพียงแต่เราไม่เอาไปทําทานเท่านั้นเองเราเอาไปเลี้ยงกิเลสตัณหาเพื่อมันจะได้มาเหยียบย่ำจิตใจของเราให้มีความทุกข์สะมีความวุ่นวายใจมากขึ้นพอไปซื้อของมาแล้วเป็นไง ต้องวุ่นวายกับการคอยรักษามัอนหรือเปล่าแม่ของแพงๆมานี่ใจมันจะคอยกังวลอยู่เลยจะเก็บไว้ที่ไหนดีซื้อแหวนเพชรมานั่นะเดี๋ยวจะไปเก็บไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวเกิดเก็บไม่ที่ปลอดภัยเดี๋ยวใครไปเปิดลิ้นชักเจอเข้าก็หยิบไปได้ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ซื้อไปแล้วก็ไปเก็บซื้อมาทําไม ซื้อมาแล้วมาสร้างความวิตกสร้างความกังวลให้กับใจสร้างความเสียใจเวลามันหายไปเอาเงินไปทำบุญดีกว่าทำบุญทำทานแล้วมีความอิ่มใจสุขใจเราก็เลือกทำบุญทำทานชนิดที่ทำให้เรามีความสุขใจสิวิธีทำบุญมีหลายวิธีด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดทำกับพระอย่างเดียว ถ้าเรามีความสุขใจจากการทำบุญกับวัดก็ทำกับวัดถ้ามีความสุขใจทำบุญกับพระก็ทำบุญกับพระแต่ถ้าเราไม่มีความสุขใจจากการทำบุญกับวัดทำบุญกับพระถ้ามีความสุขใจกับการทำบุญกับแมวกับหมาก็ไปทำบุญกับแมวกับหมาก็ได้บางคนก็ทำบุญกับแมวกับหมาเอาหมาจรจัดไปเลี้ยงเอาหมาเจ็บไข้ได้ป่วย ไปรักษาบางคนก็เอาไปถ่ายชีวิตของของโคของวัวที่จะถูกฆ่าบางคนก็ไปซื้อปลาในตลาดที่เขาจะขายไปเป็นไปขึ้นหมอ้อแกงไปซื้อแบบนั้นเลยถึงจะมั่นใจว่าได้เอาไปช่วยเหลือชีวิตจริงๆบางคนไม่อยากไปซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าที่มา เอามาขายเพื่อให้ปลปล่อยเพราะพวกนี้เดี๋ยวก็ไปจับมาให้เรามาซื้อมาปล่อยอีกเนี่ยก็ไปหรือบางทีนกบางพวกนี้เขาบอกว่าปล่อยแล้วมันก็กลับมาหาพ่อค้าแม่ค้าอีกเนยเพราะพ่อค้าแม่ค้ามีอาหารที่มันติดเนี่ยมีอาหารใส่ ใส่ผงอะไรเข้าไปเหมือนผงชูรสเนี่ยพอมันติดรถแล้วทีนี้มันไม่ไปหากินที่อื่นนะวายมันไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเข้ากองของคนที่ขายนกนั่นแหละนะอันนี้ก็มันอย่างนี้มันก็ไม่ประทับใจเพราะมันรู้มันเป็ น, ปนการหลอกกันถูกหลอกนะแต่ถ้าช่วยชีวิตจริงๆเช่นปลาดุกปลาช่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะาไปแกงแล้วเราซื้อไปปล่อยในแม่น้ำลำธารนเนี่ย เราจะมีความรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยชีวิตของผู้อื่นเพราะเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าวันหนึ่งและข้างหน้าเราอาจจะต้องไปเป็นปลาดุกปลาไหลก็ได้เป็นปลาช่อนก็ได้แล้วเวลาที่เขาจะจับเราไปฆ่าแล้วมีคนมาถ่ายชีวิตเราเราจะรู้สึกอย่างไร เวลาทําอะไรทําบุญต้องทําให้มันมีความรู้สึกมีความสุขถ้าทําแบบไม่มีความสุขอย่าไปทำํำเช่นเวลาผ้าป่ากรถิ่นมาซองว่อนกันมาเห็นแล้วก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจทําบุญแบบนี้มันไม่เกิดความสุขก็อย่าไปทํามันแล้วเดี๋ยวไปโทษว่าทําบุญแล้วไม่ได้อะไรทําบุญถ้าทํารู้จกักทําถูกลัก ถูกลักษณะของการทำบุญมันจะให้ความสุขกับเรานะโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนเนยะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเราได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาแล้วเราจะมีความรู้สึกมีความสุขมีความเพื้ปิติขึ้นมาในใจนะให้ทำบุญแบบนีนะ้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำกับวัดกับพระเสมอไปพระกับวัดก็ดู ว่าวัดไหนขาดแคลนหรือไม่ขาดแคลนพระองค์ไหนขาดแคลนหรือไม่ขาดแคลนที่ไม่ขาดแคลนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปทำก็ได้ไปทำส่วนที่ขาดแคลนเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือพระรูปไหนทำประโยชน์ให้กับสังคมอยากจะสนับสนุนก็ไปทำกับพระรูปนั้น พาลูกนี้ช่วยสร้างโรงพยาบาลช่วยสร้างโรงเรียนอย่างนี้ถ้าไปช่วยท่านท่านก็ไปทาประโยชน์เมื่อเราเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญทำทานของเราเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือให้เราทำบุญแบบนี้ทำบุญแล้วมีความสุขใจเห็นเห็นทันทีทันใดแล้วมันจะทำให้เรา มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจแล้วความอยากที่จะไปเที่ยวอยากจะไปใช้เงินตามความโลภความอยากของกิเลสตัณหานี่มันจะน้อยลงไปนี่คือหน้าที่ของการทำทานเพื่อลดความโลภความอยากใช้เงินแบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้เงินแบบไม่จำเป็นใช้ใช้เงินเพื่อความ รลปเอฮะเพื่อความหลงเสริมควา ม, มความเสยความสวยอะไรต่างๆเหนี่ยเสริมไปเท่าไหร่มันก็ชั่วข้าวสวยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่นานมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเท่าเพรฉะนอย่าไปทําไปเสริมความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นข้าศึกศัตรูของพวกเราที่พวกเรา จะต้องการกำจัดถ้าเราอยากจะไปนิพพานกันนิพพานคือที่ไม่มีกิเลสเลยัญหาที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าเรายังส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงอยู่เราจะไปนิพพานได้อย่างไรไปไม่ได้ต้องคอยกำจัดความโลภความโกรธความหลง เวลามันโผล่ขึ้นมาเวลามันอยากจะซื้อรองเท้าทั้งๆ ท, ที่มีอยู่เป็นสิบคู่แล้วเวลาอยากจะซื้อกระเป๋ามีอยู่ไม่รู้กี่ใบในตู้อยากจะซื้อแหวนเพชรอยากจะซื้อกำไรอยากจะซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราจะต้องทาบุญทำทานแล้วเอาอยากจะใช้เงินเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปปล่อยไปถ่ายวัวกันไปถ่ายโคกัน ไปบริจาคเครื่องล้างไตพอกไตในโรงพยาบาลทำไรเหล่านี้ดีกว่าแล้วมันจะเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความสุขใจทำไปแล้วกี่เดือนคิดถึงมันก็ยังมีความสุขใจอิ่มใจอยู่ไม่เหมือนกับของที่ซื้อมาแล้วซื้อล้วมาไม่กี่วันไปดูบรนอยู่ในตู้ดูยังไงมันก็ไม่อิ่มใจสุขใจเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ แต่กับมีความอยากจะซื้อใหม่มาเพิ่มขึ้นอีกอนี่นี่คือหลักการของการทำทานกาทำทานเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่กีดขวางพระนิพาณ น, นี่เองถ้าอยากจะไปนิพพานต้องกำจัดกิเลสตัณหาถ้ากิเลสตัณหามันมาช่องของการใช้เงิน ก็ต้องเอาเงินที่จะไปใช้ให้กับกิเลสปัญหาไปใช้อย่างอื่นทางเอาไปใช้กับการทำบุญทำทานนะถ้าเราไม่มีเงินใช้แล้วเช่นเราไปบวชเป็นพระบวชเป็นชีแล้วทีนี้เรื่องของการทำทานก็หมดปัญหาไป ไม่ต้องไปหาเงินมาทําทานอันนี้ก็ผิดอีกบางคนไม่มีเงินอยากจะทําบุญทําทานก็เลยต้องไปหาเงินมาเพื่อมาทําบุญทําทานอันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของทานอีกถ้าไม่มีเงินก็หมดหน้าที่เมื่อไม่มีเงินกิเลสตันหามันก็ไม่มีทางออกมันจะมาเอาเงินไปใช้ไม่ได้กิเลสตันหาที่จะเจริญงอกงาม จากการใช้เงินใช้ทองมันก็เกิดขึ้นไม่ได้จะรขึ้นมาไม่ได้เมือ่อเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเงินมาทําบุญทําทานพระมาบวชพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้มีเงินมีทองแต่ก็ยังดันอยากจะไปหาเงินหาทองมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆอีก อันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระเองเมื่อมาบวชแล้วก็ต้องมากำจัดกิเลสตัณหาในส่วนที่ยังเหลืออยู่ในส่วนที่ยังไม่ได้กำจัดให้มันหมดไปไม่ใช่มาสร้างกิเลสตัณหาใหม่ขึ้นมาด้วยการไปหลงคิดว่าการปฏิสังขรบรรณะซ่อมแซมวัฏถาวรวัตถุ ข, ของวัดนี่ เลยแทนที่จะไปฆ่ากิเลสเลยไปเรียลายเงินเพื่อที่จะมาซ่อมแซงกุติถาลราวัตถุต่างๆจริงอยู่การซ่อมแซงถาลราวัตถุก็ทำไปทำไปตามกำลัง ผู้ที่มีจิจตศรัทธาผู้ที่เขาเข้าวัดผู้ที่เขาอยากจะมีเงินเขาอยากจะทำบุญทำทานเขาเห็นเขาก็ทำของเขาเองแต่เราไม่ต้องไปหาเหมือนเนี่ยถ้าเรามาเป็นนัก บ, บวชแล้วถ้าเรามาปฏิบัติขั้นศีลขั้นสมาธิปัญญาแล้วเราก็อย่าไปหาเงินเพื่อมาทำบุญทำทานเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิธีการเป็นการเดินถอยหลัง ไม่ใช่เป็นการกําจัด ก, กิเลสตัณหาแต่เป็นการกปลูกฝังหรือสร้างกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสง์องค์เจ้ามีเงินมีทองเพราะมันจะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหานั่นเองท่านถึงแล้วท่านก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มีการสร้างวัดอย่างที่เป็นกันอยู่ในสมัยนี้สมัยพุทธกาลนี้ท่านสอนให้อยู่กันแบบง่ายๆ อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้ไม่มีกุฏิก็หาอะไรมาทำเป็นเพิงหลบแดดหลบฝนได้ก็พอหรืออยู่ตามถ้าอยู่ตามเนื้อผาอยู่ตามเรือนร้างพระสมัยพุทธกาลท่านอยู่กันแบบนี้ท่านยังไม่ต้องมาเสียเวลากับการมาเลี้ยลายหาเงินหาทองเพื่อมาสร้างวัดสร้างแล้วก็ต้องมาคอยบูรณะซ่อมแซมกันอยู่เรื่อย เวลาที่จะเอาไปฆ่ากิเลสตัณหาเลยไม่มีไม่เอาเวลามาเลียยไรยหาเงินหาทองเพื่อมาสร้างวัดมาสร้างถาวรรวัตถุแล้วก็มาคอยทานุบารุงรักษาถาวรรวัตถุแล้วมันได้อะไรจากถาวรรวัตถุนิพพานมันเกิดขึ้นจากถาวรรวัตถุหรือเปล่ามันไม่เกิดนะ ไปดูพระที่เขาได้นิพพานเขามีถาวรลวัตถุไหมดูศึกษาประวัติของหลวงปู่มั่นดูท่านไปนิพพานที่เชียงใหม่นะท่านไปอยู่กับในป่าในเขาอยู่กับชาวป่าชาวเขาเดินจงกรมหาพุทโธพุทโธอย่นะ ชาวป่าชาวเขาสงสารเห็นท่านหาคนเดียวเลยไม่เลยมาช่วยหาพุทธโธกับท่านเห็นท่านเดินจงกรมเดินไปเดินมาถามว่าท่านหลวงปู่หาอะไรหาพุทธโธเยผมช่วยได้ไหมได้ทำยังไงต้องพุทธโธไปแล้วเดินไปเดินมาอย่างนี้แหละเนี่ยนั่งปาสอนคนโดยที่ไม่ต้องสอนให้มันยุ่งยากสอนแบบง่ายๆสอนให้ปฏิบัติได้เลย โชกชาวป่าชาวเขาก็เลยภาวนาเป็นกันอยู่กับหลวงปู่รู้จักวิธีพุทโธ ร, รู้จักวิธีเจริญสติขึ้นมาแล้วท่านมีวัดที่ไหนหลวงปู่มั่นท่านไม่เคยมีวัดท่านไม่ได้สร้างวัดของท่านเอง พอท่านจากเชียงใหม่มาก็มีลูกศิษย์ลูกหาญนิมนต์ให้ท่านไปอยู่ตามวัดต่างๆวัดที่เขาสร้างอยู่แล้วท่านก็ไปอยู่แล้วท่านก็ทำหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรท่านมีแต่สร้างพ้าอารหันนะลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแต่เล้องค์เป็นผ้าอารหรันดังนั้น อธิกลายเป็นพระาธาตุกันไปหมดนะนับมาตั้งแต่รุ่นแรกๆหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ขาวลงมาเนี่ยตายไปนี่กระดูกเป็นพระาธาตุกันในชะ่ไหมท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้สร้างวัดกันเลยพวกที่ได้พวกที่ได้นิพพานไม่ได้สร้างโบสถ์ไม่ได้สร้างเจดีย์ไอพวกสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์นี่ไม่รู้ได้อะไรหรือเปล่านี่คือ หน้าที่ของของพระหน้าที่ของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็สั่งสอนธรรมะให้แก่พวกที่ไม่รู้พวกที่ไม่รู้พอได้เรียนแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกถึงจะเรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เองทานก็ทำเพื่อกำจัดกิเลสทำเพื่อตัดสะพานของกิเลสเพราะเวลามีเงินนี่กิเลสมันจะออกมาคอยเขย่าใจอยู่เลยคอยแย่ให้คอยไปซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่คอยแย่ให้ไปเที่ยวที่น่นเที่ยวที่นี่พอไม่มีเงินแล้วอย่อยังไงก็ไปไม่ได้ <laughs> ฉะนั้นพอมีเงินแล้วจะไปใช้กับกิเลสตัณหา ให้เอาไปใช้กับใช้กับการทาบุญเพื่อที่จะได้ลดความอยากไปไหนมาไหนยศความอยากที่จะใช้อยากใช้เงินใช้ทองเมื่อเราไม่ใช้เงินใช้ทองต่อไปเราก็ไม่ต้องทำงานมากทำงานพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แทนที่จะทำงานประจำก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นงานแบบส่วนตัว ทำตามเวลาที่ต้องการจะทำขายประกันขายสินค้าอะไรออนลองออนไลน์สมัยนี้มีเวลาว่างจะได้มาฆ่ากิเลสในระดับศีลในระดับสมาธิปัญญาต่อไปเนี่ยถ้ามัวแต่ใช้เงินมันก็ต้องมัวแต่หาเงินถ้าใช้เงินไปกับของฟุ่มเฟือยใช้กับของไม่จาเป็นใช้เงินกับการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็ต้องใช้อยู่เรื่อย เมื่อมันต้องใช้อยู่เรื่อยๆมันก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆเมื่อหาอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่มีทางที่จะไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ไปทาบุญก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีเวลาถึงวันหยุดก็ต้องเลือกแล้วระหว่างไปทาบุญกับไปเที่ยวจะเอาอันไหนมันก็ต้องไปเที่ยวและก็จะไม่มีเวลาไปทาบุญแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการใช้เงินใช้ทอง แานที่จะไปเที่ยวก็ไปทาบุญต่อไปความอยากใช้เงินใช้ทองก็จะลดน้อยถอยลงไปเราก็จะมีเวลาที่จะได้มาปฏิบัติธรรมมากขึ้นมารักษาศีลเพื่อฆ่ากิเลสตัณหามานั่งสมาธิเพื่อฆ่ากิเลสตัณหามาเจริญปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสตัณหาถ้าเราไม่ทําทานนะเราก็จะติดอยู่ตรง ตรงนั้นอนะอยู่ตรงการที่จะ ต, ต้องหาเงินใช้เงินเพื่อเลี้ยงความอยากต่างๆไปเรื่อยๆจนวันตายตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงกิเลสตัณหาใหม่มันก็เป็นอย่างนี้มาจนน้ําตาของพวกเหล่านี้มากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรอยู่แล้วแล้วจะมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเรา ให้มาเป็นวิธีแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้หาอยากจะได้ความสุขจากการใช้เงินเอาเงินไปทำบุญทำทานอย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราของแพงๆนะแร้วเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินมากเพราะเมื่อเราทำบุญแล้วใจเรามีความรู้สึกอิ่มเราก็ไม่มีความอยากที่จะ ได้อะไรเราก็เลยไม่ต้องทำทางานมากเพราะไม่ต้องใช้เงินมากเราก็หาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแทนที่จะต้องทำงานห้าวันทั้งอาทิตย์ก็อาจจะทำแค่วันเดียวก็พอวันสวันก็พอเราก็จะได้มีเวลาที่จะได้ไปปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปไปรักษาศีลไปหัดนั่งสมาธิไปศึกษาธรรมะให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นไป เกี่ยวกับเรื่องศีลเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเพราะยังมีรายละเอียดเอกมากที่เรายังไม่เข้าใจกันที่เราจะต้องมีเวลามาศึกษาถ้าเรามัวแต่ไปหาเงินใช้เงินเราจะไม่มีเวลามาศึกษาธรรมา ก, กันนะนี่คือวิธีการของการปฏิบัติธรรม เพื่อกำจัดกิเลสตัณหากำจัดความทุกข์ต่างๆเพื่อสร้างความสุขคือนิพพานังปรมังสุขขังให้ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจภายในภพนี้ชาตินี้พระพุทธเจ้ารับประกันใครก็ตามถ้าปฏิบัติทานศีลภาวนาได้เต็มร้อยรับรองได้ว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้ไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอน เราะฉะนั้นนานๆนนเราจะมีทางมีผู้นําทางมีคนมาสอนเราให้ไปถึงพันธิพานกันถ้าเราไม่รีบตักตัวงโอกาสนะประโยชน์อันนี้โอกาสที่จะเจออย่างนี้ครั้งก็จะเป็นอีกเวลาอันยาวนานตายไปแล้วกลับมาเกิดคราวหน้าพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่ แล้วก็รอจังหวะที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในยุคที่เรามาเกิดอย่างยุคนี้นะถึงแม้ไม่ได้เจอตัวพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ได้เจอตัวแทนได้เจอพระธรรมคำสอนได้เจอป้าอริยสงสาวก็กยังสามารถไปถึงพระนิพพานได้ไปถึงความสุขของพระนิพพานได้นะครอย่างนั้นอย่าปล่อยโอกาสอันน้ำค่านี้หลุดจากมือพวกเราไป โบราณท่านว่าน้ําขึ้นให้รีบตักเพราะเวลาของเราก็ไม่แน่นอนตอนนี้น้ําขึ้นเวลาที่เรามีเวลานี้เรียกว่าน้ำกำลังขึ้นแต่เวลาถ้าเราแก่เราเจ็บเราตายนี่เป็นเวลาที่น้ําลดละเพราะเวลาแก่ก็จะปฏิบัติธรรมยากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะปฏิบัติธรรมยากเวลาตายก็ไม่ได้ปฏิบัติ ตอนนี้ยังแข็งแรงยังสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ก็ให้รีบปฏิบัติกันอย่าปล่อยให้โอกาสอันงามนี้หลุดมือไปแล้วจะมาเสียใจในภายหลังก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจรารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังเทียาตา ม, มาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง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 จันโทปันาราโสยธามะนีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตตะวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวา อาพิวาทนสิลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมวะทานตตอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาสามร้อยเก้าสิบแปด ย o u t u สองร้อยสามิทยุออนไลน์สามสิบสองรับฟังทั้งบนนี้แปดสิบหกคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสิบเก้าครับใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ตอนนี้เลยอาจารย์โก้เชิญเดี๋ยมีข้างหนังพูด <c oughs> เบาๆหน่อยก็ได้เสียงอาจารย์มันแปดหลอดอยู่แล้ว <c oughs> เสียงดีคืออาจารย์เอ่อ <c oughs> เวลาที่เรารู้จักการนั่งสมาธิสวดไม่สวดหลับตาไม่หลับตาใช้อากาักขระใช้จําใช้ท่องโดยอัตโนมัติเมื่อสามารถจะจําได้แล้วอะไรเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดเพราะเคยท่องจําพอจําได้แล้วบางทีจิตก็ไปเที่ยวได้ครับอาจารย์เราก็นั้นนหะ คือเราต้องหาวิธีที่จะทำให้มันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีท่องแล้วแล้วมันยังไปเที่ยวอยู่ก็ต้องใช้สถานที่ช่วยไปนั่งในป่าชาสวนอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยคิดท่องเที่ยวเท่าไหร่มันจะคิดแต่ผีพอคิดผีแล้วมันกลัวมันก็จะสวดมนต์ดีกว่างั้นบางทีถ้าปฏิบัติอยู่ในที่ปลอดภยัยมันจะดื้อ ถึงแม้จะให้มันสวดถึงแม้จะให้มันพุทโธมันก็ยังเด้อไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่พระปฏิบัติเลยต้องไปหาที่คอยคอยควบคุมไม่ให้มันไปคิดเรื่องอื่นก็ต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวพอที่ไหนน่ากลัวแล้วมันจะต้องมีสติมีความระมัดระวังปล่อยให้คิดไม่ได้คิดแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าไปอยู่ป่าช้าเดี๋ยว้องไปคิดดูคิดถึงผีมา โ, โอมันจะ เดี๋ยวทนอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือสวดมนต์ไปทีนี้นเดี๋ยวเดียวจิตก็สงบนะได้ผลทันทาทันตาเห็นเลยถ้าอยากจะฝึกสมาธิได้ผลต้องไปหาที่อย่างนี้ถ้าที่สบายสบายอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศนี่นั่งไปเถอะเดี๋ยวก็ครอกครอกตอนเป็นนวกอกาศ ได้รับการบวชแบบปกติได้เรียนรู้แบบปกติได้บวชตามอายุแต่เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมพระได้กำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากเช่นอัตตาบริขารอยู่คนต้นไม้ฉันย่านองด้น้ำมุดเน่าเผายแผ่ศาสนาตอนเรามาเป็นชีวิตผู้ครองเลนก็มีเรื่องกามมีเรื่องปกติของผู้ครองเอนอยาก รู้จักธรรมก็ไปวัดมันเลยแยกกันระหว่างบ้านวัดปัจจุบันนี้กูพยายามที่จะให้มันขยับเข้ามาหากันโดยที่ทั้งๆไม่บวชคราวนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าตอนที่เราจะขยับเข้ามาหากันระหว่างผู้ครองเรือนกับกาเสวพัฒเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้เป็นวิธีที่แยบยลที่สุดครับาการกินอยู่ของเราก็ต้องเรียนแบบของพระสิ กินอยู่แบบไหนเราก็ต้องหัดกินอยู่แบบนั้นแบบเรียบง่ายไม่ฟุ่งเฟอ้อฟุ่งเฟอไม่เหอเหม อ, อาหารก็กินแบบปกติแบบที่เขาใส่บาทอะไรทำนองนี้เป็นขนาดวิกาลรโภชนาได้ไหมครับอาจารย์ถ้าได้ก็ยิ่งดีมื้อเดียวได้ก็ยิ่งดีทุดดงขวัตเลยตอนต้นก็เอาวิกาละก่อนพอวิกาละได้แล้วก็ลองมื้อเดียวเอกาอยู่ทุดดงขวัต ความเข้มข้นของธรรมไงธรรมยิ่งเข้มข้นกิเลสยิ่งกลัวเข้าใจ ไ, ไหมครั้งพุทธกาลเคยมีบุคคลธรรมดาได้ทําเท่ากับพระเลยซึ่งเป็นปัจจุบันก็ยากมากก็เพราะผู้ครองเรือนไม่ได้เคยยกเข้าหาตัวธรรมะตัวเป็นวัดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เดี๋ยวนี้หนีทุนหนีวัดกันเห็นไหมไปอยู่คอนโดไปอยู่อก็อรหัสกันอนอะ เวลามีสมถะกับวิปัสนาตอนท่องพุทโธพุทโธเวลาเราควบคุมจิตใจให้นิ่งแล้วเราจะขยับเอาปัญญาเข้าเราต้องหยุดตัวสมถะก่อนแล้วว่าบู๊ไปเลยพร้อมกันกระพริบก็เปลี่ยนจากพุทโธไปเป็นตายรักเนี่พอเราพุทโธควบคุมใจไม่ไปคิดถึงความโลภความโกรธความหลงได้ขั้นต่อไปแเรวก็ให้มันคิดถึงตายรักแทนคิดถึงร่างกายร่างกายเป็นอนิจจังหรือไม่ เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือไม่ให้คิดแบบนี้ให้คิดว่ามันให้ให้เห็นตายรักในร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนาตตาห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมันถือเหมือนผ้าทิศขึ้นผ้าทิศตกโดยสั่งไปห้ามมันไม่ได้มันมีกระบวนการของมันถ้าไปห้ามมันหรือไปอยากั็จะทุกข์ก็ได้พออยากไม่แก่ปั๊บนี่ทุกข์ทันที พออยากไม่เจ็บพอมันเจ็บก็จะทุกข์ทันทีพออยากไม่ตายเพียงแต่คิดถึงความตายก็จะทุกข์ขึข้นมาทันทีแต่ถ้าสอนว่ามันห้ามไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายายินดีกับมันถ้ายินดีแล้วจะไม่ทุกข์เพราะเวลาเรายินดีเราได้อะไรสิ่งที่ยินดีเราดีใจไหมงั้นหัดยินดีกับความแก่ยินดีกับความเจ็บยินดีกับความตาย เพราะนีมันไม่พ้นนะมันต้องมาหาเราเนี่ยนะยงั้นเตรียมตอนรับมันเลยตอนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบอ่เวลาเรานอนน้อยมากแล้วเราปรับตัวโดยการนั่งสมาธิเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งจะต้องลุกแต่งหน้าตอนเช้าเลยครับอาจารย์แล้วก็ลองนั่งสมาธิดูใช้เวลาแค่สามชั่วโมงตื่นขึ้นมาแต่งหน้าฉลุยเลยแสดงว่าการควบคุมจิตใจแล้วดูจิต แร่งกว่าการที่นอนใช่หรือไม่ครับอาจารย์หมายความว่าอย่างไงนะพูดห ม, นะมายเนี่ยหมายความว่าเวลาตอนที่โกมีเวลาน้อยแล้วก็ต้องแต่งหน้าเจ้าสาวอาพอนั่งสมาธิไปสองสามชั่วโมงมันอิ่มเ อ, อิบแล้วมันมันไม่ต้องการนอนต่อแล้วมันมันไหวอะ่ะได้ก็ได้เพราะว่าถ้าจิตมีความอิ่มแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร จิตมีพลังก็สามารถที่จะไปทําลายต่อได้ผ้<พ>า<ท>ปฏิบัติอยู่ผ <พา S 1> ้าปฏิบัติบางทีท่านนอนน้อยบางทีท่านถือเนสัตชิกได้ไม่นอนเลยไม่นอนเลยก็ได้หรอจ๊อนหรื อ, อท่านถือสามวิริยาบทไงถ้าจะหลับก็ให้ในหลับในท่านั่งหรือท่ายืน<อ>หรือท่านอนแต่จะไม่นอนกับพื้นไม่นอนเอ็นหลัง ออกก็สามารถถ้าจิตมีพลังมีความสงบแล้วมันจะไม่ค่อยง่วงมันเติน่นจิตมันจะเตือ์นคำถามสุดท้ายเรื่องโลกธรรมแปดตาช่างแห่งธรรมมีสุขมีทุกข์เป็นเครื่องกระแตะมีสันเสริมมีนินทา ม, มีลาบเสริมญาบมียศเสมยศเวลาเกิดเรื่องโลกธรรมแปดกับเราเราขยับให้มันเป็นวัจจมัปฏิปทาการอยู่ตรงกลางและมีเมตตาเรียนรู้จากโลก จนกระทั่งมันก็เป็นเช่นนั้นเองทุกวันนี้เห็นเรื่องเป็นธรรมดาเห็นเป็นเหตุเป็นผลแล้วแต่ช่างแห่งโลกธรรมแปดนั้นเจ้าคุณนอเขียนไว้เมื่อตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพปัจจุบันเราได้รู้จักกับมันอยากจะให้อธาอธิบายให้ทําว่าอธิบายทำโลกธรรมแปดให้ฟังว่ามันขยับแล้วมันอยู่ตรงกลางอทําไมการอยู่ตรงกลางอ่ะมันสุขกว่าตอนที่มันทุกขกับทุกข์ คือถ้าเป็นสุขกระทุกมันจะตาช่างมันจะเอียงไปข้างสุขมากกว่าแต่ใปัจจุบันเนี่ยโลกธรรมแปดได้อยู่กับเราแล้วอขอให้อธิบายให้ฟังให้แจม แ, แจ้งอีกครั้งนะครับอาจารย์เพราะความสุขที่เกิดจากอุเบกขามันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเน่ยคือความสุขที่ได้จากสมาธิจิตของเราจะเป็นอุเบกขาเป็นอยู่กงกลางจริงๆต้องเป็น จิจที่ได้อัปปนาสมาธิถึงจะเป็นอุเบกขาถึงจะเข้าใจคำว่าความไม่ไม่สุขไม่ทุกข์นี้ดีกว่าไปสุขไปทุกข์เพราะสุขมันก็ชั่วข้าวเดี๋ยวมันก็หมดไปทุกข์มันก็ร้อนอสู้อุเบกขาดีกว่าสงบใจนิ่งสงบตัวนี้เป็นอุเบกขานะครับอาจารย์อันตัวนี้มานั่งเสแสร้ง สั้างขึ้นมาเองไม่ได้บอกต่อไปนี้จะให้มันเป็นอุเบกขาจะเฉยๆกับราบยศนี้มันมันพูดได้แต่มันทําไม่ได้มันต้องไปเข้าสมาธิให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิมันถึงจะเข้าถึงตัวนั้นได้ถึงต้องฝึกสมาธิกันให้จิตได้อุเบกขาได้นัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพอได้สุขนี้แล้วก็จะปล่อยสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญได้ หมดคำถามครับสาทุกโภพปะจิตโตปรมังศกังนะจ๊ะใคาอยากจะถามเดี๋ยวส่งมไมค์มาทางทางนี้ช่วยพูดใกล้ปากนะจะได้ยินเสียง พูดใกล้ๆปากเลยค่ะขออนุญาตกลับมารักษาหลวงพ่อขออนุญาตถามสองสามคำถามค่ะคำถามแรกก็คือขอถามต่อเนื่องจาก อ, อ, อาจารย์โก้อาจารย์โกก็คือนั่นหมายถึงว่าในในการปฏิบัติถ้าเราพุโทโธบริกรรมไปแล้วแล้วใจเราสงบแล้วระดับหนึ่ง คือของโยมาค่ะสงบในลักษณะคือมีสติรู้แต่ก็จะรู้ว่ามีอารมณ์แว บ, บเข้ามาหรือมีภาพแว บ, บเข้ามาแต่เราก็วางเราก็ไม่ได้เอาไปปรุงแต่งต่อทีนี้ถ้าเรา ส, สามารถจะเดินปัญญาโดยการพิจารณาว่าสิ่งนั้นคือความคิดอารมณ์นี้เป็นสังขารเป็นสัญญาแล้วก็ให้เข้าใจขันห้า สามารถใช้ปัญญาอย่างนี้ในการนั่งสมาธิได้ไหมคะได้แต่มันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีเท่ากับการให้มันเข้าอัปปนาสมาธิก่อนถ้าที่ฟังนี้ยังไม่เข้าถึงอัปปนาสมาธิให้พุโทโธต่อไปดูลมหายใจต่อไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาแล้วก็สงบอย่างมีความสุขให้ถึงจุดนั้นก่อน เราให้ชำนาญกับการเข้าการรักษาจิตให้มันอยู่ในสภาพนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกนอกสมาธิมาก่อนแล้วถึงค่อยไปทางปัญญาจะดีกว่าเพราะถ้าไปตอนที่ยังไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถที่จะไปหยุดกิเลสได้เวลากิเลสมันโผล่ขึ้นมางั้นขอรบ ก, กวนพระอาจารย์อธิบายคร่าวาให้เห็นภาพชัดเจนว่าอัปปนาสมาธินี่ อุปจารสมาธิค่ะขอโทษ เ, เป็นมีลักษณะแบบไหนคะจะได้พอทราบ ว, ว่าเราถึงลักษณะก็คือพุทธโธไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะถึงเองเพราะสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอธิบายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรชูบอกวิธีเข้าถึงมันดีกว่าวิธีเข้าหาอัปปนาสมาธิก็ให้พุทธโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้ามันยังไม่ถึงก็อย่าไปหยุดมัน มืนนั่งรถกลับบ้านนี่ถ้ารถถ้ายังไม่ถึงบ้านอย่าลงจากรถนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวรถมันถึงบ้านแล้วค่อยลงจากรถเพราะฉะนั้นตอนนี้จิตของโยมคือพอนั่งไปแล้วแล้วก็คือไม่หลุดจากอาการดูลมกับพุทโธแต่เข้าใจว่าจิตนิ่งนี่คือยังไม่ใช่ของจริงใชต้องดูลมต่อถ้าหลุดออกจากการดูลมดูุจากการพุทโธนี้แสดงว่าไม่ได้ภาวนาแล้ว แม้จะเห็นเหมือนตัวเองก็รู้สึกว่านิ่งก็ยัง<ต>ไม่ใช่มันเพียงติ่งนิ่งจากระดับที่ฟุ้งซ่านลงมาเท่านั้นเองแต่ระดับที่มันเป็นอั ป, ปนปา น, นี้ยังไม่ถึงเพราะระดับนี้ถ้าถึงแล้วมันจะล่องออก ม, ม, มันจะเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดมาสัจัจะใจที่ไม่มีไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้พูดง่ายๆก็แลัวกันไม่ใช่แค่ระดับปิติใช่ไหมคะไม่ใช่ปิติสุขนี่ยังเป็นระดับแค่ชานหนึ่งชั้นสองอยู่ มันยังเข้าไปไม่ถึงระดับฌานสี่คืออุเบกขาเพราะฉะนั้นปัญญาที่โยมพูดถึงมัสคู่สามารถใช้ในระหว่างประจำวันได้โดยที่ได้ไไดแต่มันก็เป็นแบบเป็นเหมือนกับย า, าปิดแผลเท่านั้นเองมันจะไม่มันก็เพียงแต่บรรเทาความทุกข์อะไรต่างๆได้แต่มันจะไม่สามารถกำจัดให้มันหายไปอย่างราบคาบได้แก้สงบชั่วคราวอะไรอย่างี้ ปล่อยวางได้ชั่วขาราวพอนึกถึงตใจลักก็อาจจะปล่อยวางได้แต่ถ้าของไหนที่เรารักมากๆห่วงมากๆตใจรักยังไงมันก็ปล่อยไม่ได้คะับงั้นก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญาถ้ายังไม่มีอัปปนาสมาธิกับนมัสการพระอาจารย์ครับยังถ้าแสดงว่ายัางถเกิดปิตินี่แล้วถือถือว่าเข้าชาถึงระดับชาหรือครับ ก็มีปิติสุขเนี่ยไปอ่านดูฌานสี่ฌานแรกมีห้าอาการวิตกวิจารปิติสุขอะไรไม่รู้ไปค้นดูใน Google ก็ได้แล้วก็ดูลมต่อไปเพ่งต่อไปพุโทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะลึกเข้าไปเรื่อยๆที่การเข้าฌานแต่ละคนนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเข้าเป็นเหมือนเปลี่ยนเกียร์เข้าไปทีละขั้นทีละขั้นบางคนก็แบบเกียร์อัตโนมัติเข้าปุ๊บ พูดพาดลงไปถึงเกียร์สี่เลยถึงอปถึงอั ป, อ ป, ปนาสมาธิตกลุมตกบ่อตกเหวแบบนั้นก็มียั่งการเข้าสมาธิมันมีอยู่สองสองลักษณะเข้าเป็นขั้นๆั้นเป็นเหมือนขั้นบันไดสงบทีลเนึกเทียรน้อยอีกแบบหนึ่งก็เข้าแบบพูดพลาดตกลุมตกบ่อตกเหวลงไปแล้วก็นิ่งสงบ แต่จะเป็นแบบไหนเราไปกำหนดมันไม่ได้เรากำหนดได้เพียงแต่ลมหรือพุโทโธเท่านั้นเองให้มีลมหรือมีพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันก็จะปรากฏผลขึ้นมาแล้กกับเรียนถ้าถ้า ถ, ถ, ถ้าการเข้าชานี้สามารถเข้าทางโดยทางวิปัสสนามาได้ไหมครับยากถ้าสติง่ายๆ ย, ยังเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาปัญญาที่ไหนพรมันเข้าไป ถ้าอยากจะให้ปัญญามันต้องแบบเจอความเป็นความตายเท่านั้นมันถึงจะเข้าได้เช่นไปเจอเสือแล้วก็ตัดสินใจจะวิ่งหรือจะสู้จะวิ่งหรือจะยอมตายถ้ายอมตายเพราะว่าร่างกายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เข้าอัปปนาได้แบบนั้นแบบหลวงปู่ชอบนท่านชอบเดินเดินทุดงตอนคืนว่ามันเย็นกลางวันมันร้อนท่านจะเดินทุดงตอนคืน ในป่าท่านจะมีโคมไฟจุดเทียนแล้วเป็นโครงผ้าท่านบอกท่านก็เดินไปพุทโธ ท, ท่านไปคืนหนึ่งนะว่าไปเจ้าเอกเสือโค้งพอดีตอนนั้นท่านมีสติจิต ท, ท่านก็พุ๊บเข้าข้างในเลยพอเห็นเสือตกใจสุดขีดมันก็เลยวุ๊บเข้าข้างในพอเข้าข้างในร่างกายก็หายไปเสือก็หายไปไม่รู้เรื่องของเสือของร่างกายของท่านจนกว่าเพราะ จนเวลาจิตถอนออกมาเห็นว่าเทียนที่จุดไว้มันหายไปหมดแล้วท่านแต่ท่านก็ยังยืนอยู่เหมือนในท้าตอนที่ก่อนท่านจะเข้าไปยืนถือโคมไฟอยู่อย่างนั้นเสือก็หายไปแล้วท่านจะใช้ปัญญาเหมือนต้องต้องมีเหตุการ์กระตุ้นให้ให้เกิดปัญญาทุกบ่มีปัญญาบ่กเกิดหรือไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตายในสามเดือน ถ้าตอนนั้นบอกอยอมตายไม่รักษาอันนั้นก็จิตก็เข้าปัญหาได้ถ้าจิตปล่อยร่างกายได้มันก็เข้าปัญหาได้ถ้าไม่เป็นเหตุการณ์สําคัญขนาดนั้นยากไม่ยากเลยครับยากมันไม่มีอะไรจะมากระตุ้นมันเข้าไปอย่างผมเคยได้ยินมาว่ามีสามแบบคือสมถธนาวิปัสนาวิปัสนานําสมถะแล้วอีกอย่างนึงคือพร้อมกันไปเลยอย่างเนี้ครับฝากอธิบายเพิ่มเติม คือฟังแล้วยังงงๆกัครับอย่าไปรู้แต่ไม่รู้ก็อย่าไปรู้เลยคือคือผมใหม่มากในการปฏิบัติครับใหม่มากก็หัดสติไปก่อนใช่ไหมเอาพุทธพุทโทให้มันได้ทั้งวันทั้งคืนก่อนนะคือผมประสบการณ์ห้าเดือนนะครับแต่ผมมีเอ่อเกิดประสบการณ์ที่แปลกแล้วก็สับสนอยู่ตอนนี้ก็คือผมลักษณะว่าจะภาวนาด้วยการดูสภาวะธรรมอ่าสีเสียงกลิ่นกลิ่นรส เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงพวกนี้ครับถึงเป็นรูปของที่มันไม่ของที่เราไม่ไปทุกข์ด้วยมันไม่มีประโยชน์แล้วต้องกี่ยงกับของที่เราทุกข์แล้วเราปล่อยมันได้ครับเช่นแฟนเราขอไปมีผัวใหม่ว่ า, าไปเลยอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือเป็นรูปฮะแล้วก็เวทนาก็ดูสุขทุกข์เฉยเสบายไม่สบาย ม, มันมาเป็นพวงอมันมีรูปแล้วมันถึงมีสุขปีทุกข์ตามมาแต่แปลกคือผมพิจารณาแค่สองสามบรรสองสามบรรทัดเนี่ยครับ พิจารณาเสียงที่มันรอบตัวข อ, อ, อพวกนี้มัน ม, ม่นมเย็นจะไม่มีความหมายอะไรหรอกมันมันไม่ไปกระเทือนใจแต่มันสามารถเข้าไปในถึงระดับที่มีเกิดปิติแล้วก็เห็นได้ยินเสียงชัดเป็นสองเท่าประมาณนั้ น, นครับแล้วก็สัมผัสสภาวะได้โดยรอบด้วยความฉับไวอะฮะ ก็เลยสงสัยว่าอันนี้คือระดับอุปจาระหรืออัปปนาหรืออะไรไม่ต้องไปสนใจนะระดับไหนก็มันก็ระดับนั้นอ่ะมันไม่ต้องไปรู้ว่ามันชื่ออะไรหรอกก็ถ้าเมื่อกี้บอกมีปิติถือเป็นฌานผมก็เอ๊ะมันจะเร็วไปหรือเปล่าครับประมาณนั้นนะครับนั่นแหะควรไปยุ่งกับตำรามากจนเกินไปมันก็เลยไม่ต้องไปสนใจตำราเวลาขาอาหารมาให้กินไม่ต้องไปเปิดเมนูว่านี่อาหารอะไรแล้ก็กินเข้าไปก็เลยสับสนว่าจะไปยังไงต่อแล้วมาถูกทางหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับถ้าถูกทาง สงบก็ถูกทางถ้าสงสัยฟุ้งซ่านแบบนี้ก็ไม่ถูกทางแนละ้วต้องทำใจให้สงบนะและเป็นสภาวะที่แปลกที่สุดในชีวิตก็คือมันสัมผัสอะไรรอบตัวได้ว่องไวคล่องแคล่วมันไม่ใช่มันน่าจะเป็นสมาธิระดับนึ่งนะครับแต่ผมไม่ทราบว่ามัน<อ>ประจรละหรือเปล่าหรือรู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เห<ป>มือ น, น, นกันนะครับนะครับ ก็สงสัยต่อไปอสงสัยต่อเป็นผู้ศนต่อไปครับไม่จําเป็นจะต้องสงสัยมันเป็นยังไงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จบแล้วไปสงสัยมันทำไมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสภาวะนั้นอีกจะพิจารณาอะไรดีครับในสภาวะนั้นนะครับครับสภาวะนั้นมันดีหรือไม่ดีก็ท่านนั้นเองก็พิจารณาว่ามันดีไม่ดีถ้ามันดีก็รักษามันไว้ถ้ามันทําให้เรามีความสุขเราก็รักษามันไว้ถ้ามันทําให้เราไม่มีความสุขเราก็ไม่ต้องไปรักษามันดีครับมีความสุขมากเลยครับแล้วก็รักษามันซิ แล้วถ้าจะจะให้ก้าวหน้าล่ะครับต้องควรก็ให้มันเป็นอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไงรักษาให้มันเป็นทั้งวันทั้งคืนถ้ามันดีครับแล้วสมมติไม่ใช่สมยังสติ ป, ประฐานสี่เนี่ยครับกายเวทนาจิตทรรมนี่คือต้องทําเป็นสเต็ปขึ้นไปหรือว่าทําเดี น, <อ>นั่นแหละต้องให้ผ่านขั้นสมาธิก่อนถึงจะไปพิจารณาตายรักในกายผ่านกายถึงไปไปเวทนาผ่านเวทนาถึงไปจิต แล้วถึงไปทำมมันมันเป็นขั้นละเอียดที่จะต้องผ่านเหมือนปอกผลไม้นี่ต้องปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกถึงจะกินเนื้อกินเนื้อถึงจะไปเจอเม็ดครับ อ, อมันเป็นขั้นๆไปแต่มันก็ใช้ไตรักทั้งหมดทุกขั้นทุกขั้นต้องใช้ไตรักถึงจะผ่านมันได้ก็คือพิจาร์กายให้เห็นไต่ลักซะก่อนแล้วค่อยไปบิดวียนแล้วก็ปล่อยกายให้ได้ไม่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วไม่ปล่อยก็ยังก็ยังไม่ได้ต้องปล่อยครับอื คือไม่ไม่หวงร่างกายจะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะตายได้ไม่วิตกกังวลกับความตายกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับกลับน้มัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคือหนูอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องจิตสุดท้ายอ่ะคะ่ะคือถ้าเรามีญาติผู้ใหญ่ที่บ้านที่ถ้าญาติผู้ใหญ่เอ่อโดย ถ้าเป็นคารวาทั่วๆไปที่อาจจะเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบไม่ค่อยได้ปล่อยวางหรือว่าห่วงลูกห่วงหลานห่วงอะไรอาวอร์อะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรของครอบครัวค่ะเลยอยากจะให้ท่านช่วยแนะนำว่าคารวาโดยทั่วๆไปควรจะวางจิตวางใจอย่างไรถึงจะไปในที่ที่เป็นสุกติภพอะค่ะคือเราต้องเข้าใจว่าจิตสุดท้ายก็คือจิตปัจจุบันนี่แหละ งั้นถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีจิตสุดท้ายมันก็ดีถ้าจิตปัจจุบันไม่ดีจิตสุดท้ายมันก็ไม่ดีงั้นถ้าจะปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางในจิตปัจจุบันไม่ใช่ไปรอจิตอนาคตเพราะจิตอนาคตมันไม่มีมเข้าใจไหเหมือนกับเป็นให้ดีจะได้ตายให้ดีประมาณก็นั่นหละมันตายตอนนี้มันไม่ได้ตายพรุ่งนี้หรอกเวลาคนตายใช่ไหมค น, คนตายมันตายปัจจุบันงั้นเราก็ต้องทาจิต ให้มันดีในปัจจุบันถ้าจิตปัจจุบันดีมันก็ตายดีแล้วควรจะนึกถึงบทสวดมนต์ก็มีหลายวิธีที่ทำให้มันดีไงสวดมนต์ก็ได้พุทธโธก็ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ได้เจริญไตรลักษณ์ก็ได้แล้วแต่ระดับความสามารถของจิตแต่ละดวงจะมีเครื่องมือชนิดไหนก็ใช้เครื่องมือชนิดนั้นไปแล้วก็ถ้า คนที่กลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายถึงเรื่องความตายอะคะ่ะก็ควรจะปรับใจให้มองว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องควรต้อนรับมันถูกไหมคะก็ก็ใช่ไหมล่ะที่ก็จะปรับได้หรือเปล่าเราต้องค่อยๆฝึกไปใช่ไหมก็ถ้ า, ายังปรับไม่ได้เบื้องต้นก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญาไปทางสติก่อนให้เขาหยุดคิดให้จิตเขาสงบก่อนพอจิตสงบแล้วอุปทานมันจะถูก ถูกตัดกำลังลงแล้วพอคิดทางปัญญาก็จะคิดได้จะไม่กลัวถ้าจิตยังไม่มีสมาธิอุปทานมันแรงพอคิดถึงความตายมันจะกลัวทันที ก, ก็ยังคิดไม่ได้แล้วแต่กําลังของจิตแต่ละดวงไม่เท่ากันว่ามีกําลังที่จะเข้าถึงทำในระดับไหนกราบขอบพระคุณเจ้าค่นะ อ่าส่งกลับมาพอแล้วเลยหมดได้ยังเ อ, อาได้เอาคำถามเอาให้หม ด, ดเลยคือเรื่องการไปถึงขั้นโสดาบา น, นะคะที่ว่าถ้าจะเป็นโสดาบันได้นี่ต้องละสามสังโยชน์ อ, อ, อยากจะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วย อธิบายว่าสามสังโยชนี้คืออะไรบ้างแล้วก็อย่างเช่นขยายขยายภาพให้เห็นนิดนึงนะคะ่ะสังโยชน์สามมันมาเป็นพ่วงเราละอันหนึ่งได้ก็ละทั้งสามได้ตัวที่เราต้องละก็คือสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา ต้องพิจารณาว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟมันทํามาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางมันเมทนาก็มากับร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันเจ็บก็เราไม่ได้เจ็บผู้ที่เจ็บก็คือร่างกายผู้ที่ตายก็คือร่างกายเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย งั้นเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันไปยึดตัวยึดตนไปอยากในอริยสัตว์เนี่ยนี้พอเราพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไปอยากให้ร่างกายที่เป็นอนิจจงอัตตาอนัตตาให้เป็นนิจจงอัตตาแต่ความจริงมันเป็นอนิจจงอัตตาพอเราเห็นความจริงเราก็ปล่อยหยุดความอยากให้มันไม่ไม่ตายไม่เจ็บ พอหยุดได้ความทุกข์ก็หายไปก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากพอไม่มีความอยากในร่างกายก็ไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปก็เลยมีดวงตาเห็นธรรมไม่สงสัยในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่จริงหรือไม่ส่วนสีลับพระพตะก็จะไม่สงสัยในเรื่องของการรักษาศีลว่ามีประโยชน์อย่างไร เพราะจิตที่ไม่ได้ทำบาปจะเป็นจิตที่เย็นที่สงบจิตที่ทำบาปจะเป็นจิตที่ร้อนก็จะรู้ว่าจิตที่ร้อนก็คืออบายจิตที่เย็นก็คือสวรรค์ก็เลยจะรักษาศีลไปยิ่งกว่าชีวิตพระโสดาบนันเ<ม><ม>ข้าใจอย่างสามข้อนี้มันมาเป็นพวงเอาแค่ละสักกายทิฏฐิแล้วอีกสองตัวมันเป็นตัวที่จะ ตามมาเองมันจะเข้าใจคารวะอย่างเราโดยทั่วๆไปถ้าเราจะยากไมหมคะที่จะก็ไม่ยากบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้มันอยู่มันไม่ได้อยู่ที่คารวะหรือพระพระต้องเยอะแยะไม่ได้เป็นก็มีอยู่ที่ว่าจ ะ, จะเจริญมรรคได้หรือไม่ จเจริญสีนสมาธิปัญญาได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การเป็นเหล่านี้อยู่ที่ว่าสามารถจเจริญสีนสมาธิปัญญาได้หรือเปล่าแล้วที่ว่าถ้าถึงขั้นโสดาบันแล้วก็คือจะเกิดภายอีกหมายถึงจะเกิดอีกเจ็ดชาติเท่านั้นถ้ายังถ้ายังไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงต่อไปได้ ก็ยังต้องกลับมาเกิดเพราะพระโสดาบันยังมีความอยากเสพกามอยู่อืก็ยังอยากจะกลับมาหาแฟนอยู่มามีแฟนอยู่แต่กลับมาบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเบื่อเองพอเห็นว่ามีแฟนก็ทุกข์ต่อไปก็จะพิจารณาวิธีไม่มีแฟนอก็จะรู้จักวิธีพระพิจารณาอสุภะต่อไปอืกลับขอบพระคุณมากเจ้าค่ะอเ ถามต่อไปอคำถามจากข้างบนนี้ครับจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเข้าภวังขจิตและเมื่อเข้าแล้วถ้ามีเสียงเรียกปลุกควรทำอย่างไรเพื่อออกจากฌานปกติจะตั้งนาฬิกาปลุกเมื่อนั่งสมาธิผ่านไปสองชั่วโมงเป็นต้น เห็นว่าถ้าเข้าฌานแล้วมีอะไรมาปลุกไม่ควรพรวดพลาดออกมาทันทีรบกวนพระอาจารย์ชีเนะ่ด้วยเจ้าข้าถ้าปลุกก็ไม่ใช่ฌานแล้วนะถ้าปลุกก็แสดงว่าหลับรวังหลับฌานนี้ไม่ไม่หลับฌานนี้ตื่นตลอดเวลารู้สึกตัวตลอดเวลาเหมือนกับเราคุยกันตอนนี้เพียงแต่ว่าไม่คุยท่านเองจิตไม่คุยกับตัวเองจิตก็เป็นฌานขึ้นมาไม่หลับ ถ, ถ้าต้องปลุกก็แสดงว่าหลับใช่ไหมเวลาปลุกน้ปลุกใครปลุกคนตื่นแล้วปลุกคนหลับคนตื่นไม่ต้องปลุกใช่ไหมปลุกแต่คนหลับถ้าต้องปลุกก็แสดงว่าหลับคำถามต่อไปจากคุณขวัญเรือนถ้าเรามีของที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือของที่ไม่จำเป็นแล้ว เอาไปบริจาคให้คนอื่นแบบนี้เรียกว่าทำทานด้วยไหมเจ้าคะได้เหมือนทานเหมือนกันแต่สู้ทานที่จะเอาเงินไปซื้อของใหม่ไม่ได้เพราะาอันนี่ก็อาจจะเป็นกิเลสเบื่อของเก่าเลยบริจาคของเก่าได้แต่ของใหม่นี้ไม่ยอมบริจาคถ้าอยากจะฆ่ากิเลสต้องเอาเงินนี้ ที่จะไปซื้อของที่กิเลสอยากได้นี้เอาไปทำบุญอย่างนี้จะได้จะได้ได้ทานแบบนิพพานทานแบบตัดกิเลสแต่ถ้ามีของโลลุงลังเต็มบ้านอยากจะซื้อของใหม่ไม่มีที่เก็บเลยเอาของเก่าโลาะทิ้งไปเพื่อที่จะได้ซื้อของใหม่มาอย่างนี้ก็ก็ไม่ไม่เป็นนิพพานไม่ได้เป็นทานแบบนิพพานนะเป็นทานแบบเวียนว่ายตายเกิด เพรยังส่งเสริมความอยากจะซื้อของใหม่มาใส่ใส่ในบ้านต่อไปของเก่ามันลุกลุงนลางก็อ่ะสละมันไปบ่อยจากไปแล้วจะได้ซื้อของใหม่ใช้รถเก่ามาเบื่อแล้วอ่ะอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ก็เลยบริจากรถเก่าไปถ้าแน่จริงก็บริจากรถใหม่สิซื้อรถใหม่แล้วก็ไปบริจาคให้โรงพยาบาลเขาซื้อรถพยาบาลอย่างน้องตาเนี่ใช่ไหมถ้าไม่บริจาครถเก่าใช่ไหม ไหมเอี่ยมนั่นั้นของน้องตาเนี่ยโรงพยาบาลต้องการเครื่องไม้เครื่องมือนี้ไม่ไปหาซื้อของมือสองมาบริจาคเอาของไหม่เอี่ยมเลยของดีที่สุดเนี่ยถึงจะเรียกเป็นการทําทานแบบฆ่ากิเลสทําทานเพื่อนิพพานนคําถามต่อไปจากคุณภูมิขณะที่นอนภาวนาแล้วเกิดนิมิต ทำให้สะดุ้งแล้วถอนสมาธิจนต้องลืมตาขึ้นทำอย่างไรถึงไม่กลัวนิมิตนั้นครับก็อย่าอยนะอนอนสมาธิใช่ไหมเหรอครับนอนสมาธิก็ไม่มีสติเมื่อไม่มีสติจิตมันก็ผลิตนิมิตต่างๆขึ้นมาต้องนั่งแล้วนั่งแบบมีสติต้องมีพุทโธกำกับใจแล้วมีสติดูลมหายใจแล้วนิมิตต่างๆก็จะไม่เกิด คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเวลาที่นั่งสมาธิจิตชอบออกไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆเมื่อรู้ตัวว่ากำลังฟุ้งซ่านก็ดึงสติกลับมาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเหมือนเดิมแต่ก็อยู่ได้ไม่นานจิตก็ออกไปคิดฟุ้งซ่านอีกเป็นอยู่เรื่อยๆในขณะที่นั่งสมาธิลูกต้องปฏิบัติและแก้ไขอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต้องเสริมสติให้มันไม่ขาดหายต้องฝึกสติทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นมานี่ก็เริ่มฝึกสติเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้ามันคิดก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันแล้วต่อไปเวลานั่งสติจะไม่หายคำถามต่อไปจากคุณสมบัติถ้าไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิ ใช้วิธีดูจิตกับฟังธรรมพิจารณาธรรมมีโอกาสเข้าถึงธรรมไหมครับยากเพราะจิตยังไม่สงบยังเข้าไม่ถึงต้องให้ผ่านความสงบก่อนถึงจะสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่สงบธรรมที่เข้าถึงจะเป็นเพียงสัญญาความจาแล้วเดี๋ยวก็ลืมฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมรู้แล้ว เ, เดี๋ยวก็ลืมมันจะไม่ฝังใจอยาให้มันฝังใจี้จิตต้องอยู่เข้าไปในสมาธิ แล้วพอรับรู้อะไรมันจะฝังอยู่ในใจคำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ในการทำบุญแต่ละครั้งหากเราตั้งจิตน้อมระลึกถึงคุณพ่อแม่เช่นหากเรามีความสุขในบุญกุศลเช่นไรก็ขอให้พ่อกับแม่ท่านได้บุญกุศลเช่นเดียวกับเราอย่างนี้ ถือว่าท่านจะได้บุญเหมือนดังที่เราระลึกถึงท่านไหมครับก็เหมือนเวลากินข้าวที่ไรก็นึกถึงพ่อแม่ที่ไม่ได้กินว่าขอให้พ่อแม่อิ่มเหมือนเรานะอืมจะอิ่มหรือเปล่าไปถามพ่อแม่ดูว่าแล้วกันคําถามต่อไปจากคุณเจริญเวลาคุมสติพิจารณาแล้วมาฟังเพลงดูหนังอารมณ์ไม่คล้อยตามเฉยเฉยอยากทราบว่าทําถูกไหมครับ นั่งสมาธิเพื่อมาฟังเพลงก็ไม่ถูกวะานั่งสมาธิเพื่อเลิกฟังเพลงนั่งสมาธิมันมีความสุขมากกว่าฟังเพลงก็จะได้ไม่ไปฟังเพลงถ้าหน้าฟังนั่งฟังนั่งสมาธิเพื่อมาฟังเพลงแล้วมีรถชาร์มาขึ้นก็อย่าไปนั่งอ่ะมันไม่มีมันไปคนละทิศคนละทางกันคําถามต่อไปจากคุณแพม ดิฉันศึกษาปฏิบัติเข้าใจแค่ให้ดูลมหรือไม่ก็ท่องพุทโธไม่ชอบท่องสวดมนต์และอ่านภาษาบาลีอย่างที่เพื่อนๆถามกันด้วยสับบาลีดิฉันไม่เข้าใจในหลายๆคำถามเหมือนยังไม่เก่งพอที่จะศึกษาลึกๆได้ถ้าฝึกแค่พุทโธหรือดูลมหรือแค่นี้ ถือว่าพอแล้วไหมครับพอแล้วถ้าเราต้องการสมาธิไม่ต้องการไม่ต้องรู้อะไรมากยิ่งรู้ยิ่งยากต่อการเข้าสมาธิพอรู้มากมันก็อดที่จะคิดมากไปได้เห็นเมื่อกี้ไหมก่อนนี้ก็นั่งปิติว่าเป็นขั้นไหนแล้ว ข, นนขั้นนู้นขั้นนี้มันก็เลยไม่หยุดคิดสักทีการนั่งสมาธิเพื่อให้มันหยุดคิดเพื่อมันจะได้เข้าสู่ความสงบ นิ่งอย่างเต็มที่งั้นอย่าไปรู้อะไรความรู้ที่เรารู้นี่ขอให้เราแขวนไว้ก่อนอย่างหลวงตาที่ท่านไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกไปขออยู่หลวงปู่มั่นก็รับให้อยู่แล้วก็สอนว่าท่านเรียนมามากแล้วเป็นป ร, ริญญาสามแนละ้วความรู้มากแต่ความรู้นี่ไม่เป็นประโยชน์เพราะจิตของท่านไม่มีกําลังที่จะเอาความรู้นี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สิ่งที่กวนจะทำตอนนี้คือสร้างกำลังให้กับจิตก่อนกำลังของจิตก็คือสมาธิพยายามหยุดความคิดพยายามเข้าเข้าเข้าสมาธิให้ได้ก่อนหลังจากที่จิตคุณมีสมาธิแล้วความรู้ที่คุณรู้นี้มันจะามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ไม่ต้องกลัวตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะเอาความรู้มาใช้ตอนนี้เป็นเวลาสร้างกำลังคือสมาธิให้กับจิตก่อน นี่คือคำสอนคำครั้งแรกที่หลวงตาไปกับหลวงปู่มัน่นท่านเคยเล่าให้ฟังคำถามจากคุณเมธินาทครับจากสำนักข่าว c ชน n าโ l o บ a l t e l e v i s i o น Network ทางทีมข่าวโดยผู้สื่อข่าวคุณมาติโลอยาก ขออนุญาตสัมภาษณ์หลวงพ่อครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในยุคสมัยใหม่โดยเตรียมคำถามไว้แล้วประมาณสี่คำถามใช้เวลาไม่เกินสามสิบนาทีทางทีมข่าวขออนุญาตสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่ท่านสะดวกในช่วงเดือนเมษาครับก็ทุกวันนะตั้งแต่บ่ายสามโมงไปใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ผ่านทางมือถือนี้ก็ได้ไม่ต้องมาเองก็ได้จะมาเองก็ได้ แต่เราก็ไม่ได้มีการจัดอะไรเป็นพิเศษเพราะนี่มันเป็นปกติของเราใครอยากจะถามก็จะเปิดช่วงเวลาสามถึงสี่เป็นช่วงถามตอบปัญหาช่วงหนึ่งถึงช่วงสองถึงสามก็จะพูดทำให้ฟังไปก่อนก็เชิญได้ทุกเวลาที่ต้องการจะมาสะดวกวันไหนก็มาแต่ถ้ามาวันธรรมดาจะดีกว่าเพราะคนน้อย ถ้ามาสาวิติชนจะมากและเวลาอาจจะน้อยเพราะหลังจากพูดธรรมเสร็จคนก็จะต้องมาถวายข้าวของอีกก็อาจจะใช้เวลามากอาจจะมีเวลาเหลือน้อยแล้วก็ไม่สงบเหมือนกับช่วงวันธรรมดาอย่างวันนี้คนน้อยบรรยากาศมันจะสงบและจะถามคำถามหรือฟังธรรมนี้จะได้รสชาติกว่ายางถ้ามาได้ก็ควรจะเลือกมาวันที่ไม่ใช่วันหยุด คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามรู้เป็นกระเทยสังเกตตัวเองว่าทำไมถึงมีความมากๆในกามเหลือเกินเจ้าคะแม้ลูกเคยฝึกอสุภะแต่บางทีใจมันก็เถียงว่ารู้อยู่ว่าเป็นอสุภะแต่มันก็ยังน่าดูน่าคล้ายอยู่เลยก็เสพไปเถอะเป็นแบบนี้ประจำค่ะเพราะพิจารณาสุภะไม่พอไง ถ้ามันบอกหน้าดูหน้าไครก็ต้องพิจารณาต่อแล้วแสดงว่ามันยังไม่เห็นความที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายอย่างจริงจังยิ่นถ้ามันเห็นว่าสวยก็ต้องรีบดูส่วนที่ไม่สวยทันทีแหวอกอกเข้าไปดูคลองกระดูกดูกระโหลกศีรษะเห็นหน้าไข้ก็พยายามฉีกหน้ากากของเขาออกไปฉีกหนังที่มันหุ้มครงกระโหลกศีรษะให้มันเห็นกระโหลกศีรษะ ถ้าไม่เห็นกะโหลกศีรษะมันก็จะเห็นว่าสวยว่างามฉนั้ต้องพยายามเห็นกะโหลกศีรษะให้ได้ตลอดเวลานึกถึงกะโหลกศีรษะอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะไม่เห็นหน้าเห็นตาจะเห็นกะโหลกศีรษะเหมือนในพุทธการมั่งเมพราอยู่รูปหนึ่งท่านเจริญโครงกระดูกใครเดินมาไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้ว่าเป็นใครเห็นแต่โครงกระดูกเดินมา มีคนมาถามว่าเห็นคนนั้นเดินมาทางนี้เนี่ยไม่เห็นนะเห็นแต่โครงกระดูกมันต้องเห็นแบบนั้นนะถึงจะเกิดความไม่มีความ่ายในร่างกายเอาคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณยินเวลาทำอะไรอยู่เช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิทำงานมักมีความคิดที่ไม่ดีแทรกเข้ามาเจ้าค่ะ ไม่ได้อยากคิดแต่มันผุดขึ้นมาถือเป็นกรรมไม่ดีใช่ไหมคะและแก้ไขได้อย่างไรครับก็ใช้พูดโทนี่แหละถ้าเราพูดโธพูดโธมันก็จะหยุดคิดในเรื่องที่ไม่ดีหรือดีก็ตามในเบื้องต้นนี้เราต้องหยุดความคิดทุกทุกรูปแบบเพื่อให้ใจให้ใจสงบให้ใจมีความสุขแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถสอนใจให้คิดปล่อยวางเรื่องที่ไม่ดีและให้คิดแต่เรื่องที่ดีได้